พูดถึงเรื่องชีวิตชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายมันพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ hmm. จากสัตว์ตัวเล็กๆก็มาเป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ขนาดกลางจากสัตว์ขนาดกลางมาเป็นสัตว์ใหญ่ จากสัตว์เดรัจฉานเมื่อมันอยู่ได้คุกครีอยู่กับมนุษย์จิตใจมันกันน้อมไปในทางมนุษย์ยินดีต่อมนุษย์ตายแล้วก็เกิดเป็นคนนี่เดียวว่ามันพัฒนาตัวเองด้วยมโนกรรมมโนกรรมตัวนี้ น้มไปยังไงมันก็ไปอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมไปอย่างนั้นคนเราเริ่มจะเป็นคนโง่เมื่อพัฒานาตัวเองเรื่อยมาก็กลายเป็นคนฉลาดที่แรกก็ฉลาดในทางโลก ฉลาดทามาค้าขายหาคมร่มรวยเมื่อได้พบนักปราดบัณฑิตเข้าแล้วได้ฟังคำสอนของนักปราดถนาเขาในทางศีลทางธรรมก็เกิดความรู้ความฉลาดในทางศีลธรรมต่อไปถึงก็ได้รับสาศีลห้า กำมาบทสิบอันนี้มันก็เรียกว่ามันพัฒนาตัวเองมันแสวงหาทางออกจากทุกข์เมื่อได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วมันนี้ก็เหตุผลเรื่องการละเว้นจาก บ, บาปมันก็มาปรากฏในใจว่าอ้อ คนเรานี่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะไม่เบียดเบียนกันแลวกันเราและเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นไปพัฒนาตนเองรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้ว มันก็เอาก้าวมาอีกรักษาสินอุโมโสมจากการรักษาอุโมโสดสินข้าวมีศรัทธาแรงกล้าเข้าไปกวานั้นก็ามาเป็นนักบวดนุ่งขาวผมขาวที่เรียกว่าแม่ชี้พ่อขาวอะไรหมูนี่รักษาสินแปดเป็นนิจสิน อันนี้พวกที่สุขภาพบุรุษก็พัฒนาตัวเองมาโดยลำดับโดยเข้าวัดเข้าว่าสังคมกับพระกับเจ้าเข้าไปจิตใจมันก็น้อมไปทางศีลทางธรรมการทำบาปทำกรรมมันก็ค่อยห่างออกห่างออกเมื่อเอ็นทรีบารมีมันแก่กล้ามากแล้ว มันก็เห็นโทษในการอยู่ครองเลือนก็ถึงได้ออกบวชบางคนก็เป็นโสตได้ออกบวชบางคนก็มีครอบครัวแล้วแต่เมื่อบุญบา ร, รมีมาถึงแล้วมันก็บันดาลให้อยากบวชอย่างแรงกล้าจนยอมเสียสละของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่าง ไปบวชจนได้มเมื่อบวชมาแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ประมาทกิเลสปาประธรรมอันหยาบๆยามันก็บอบบางออกไปจากกิจใจใจมันก็สูงขึ้น ไม่ตกต่ำาบนนี้นะไม่เป็นขาดของกิเลสตัณหาเนื่องจากว่าได้บำเพ็ญกุณธรรมชั้นสูงเกินไปแล้วถึงแม้มันจะมีกิเลมสมาแทรกแทงรบ ก, กวนมันก็ไม่รุนแรงไม่หยาบคายเกินไป บุคคลผูใ้ใดบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาไปโดยความไม่ประมาทแล้วก็ย่อมไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานกับกิเลสยำยาบนั้นเท่าไรนักเป็นเหตให้มีความมั่นใจในพรหมจรรย์อยู่กับเพิ่พรหมจรรย์ไปเรื่อยๆ การบวชแล้วการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะ่ะมันเป็นความก้าวหน้าอย่างสูงมันก็มาสิ้นสุดลงความเป็นนักบวชนี้แหละลองคิดดูท่านได้สาเร็จมรรคผลนิพพานมากมายกายกองเหล่านั้นส่วนมากก็มีแต่นักบวชเนี่ยบวชสเร็จสําเร็จมรรคผลขั้นสูง เป็นพระอนาคามีพระอราหันต์อย่างนี้สำหรับพระโสดาบันพระสิกธาคามีอันนี้อุบาสกวาสิกาก็บรรลุ ก, กันได้เป็นจานวนมากเหมือนกันเนี่ยการพัฒนาตัวเองนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อหากว่าเราได้คบหาสมาคม กรรมนักปราดบัณฑิตผู้ที่มีความเห็นถูกเห็นชอบนำเนินกระพุทธปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไปเราได้รับผลได้รับผลเต็มที่เป็นที่มั่นใจอุ่นใจของตอนแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ไปอย่างนั้น สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เพราะทนได้บําเพ็ญมาทดสอบมาแล้วมันได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นได้ฟังแล้วลงมือปฏิบัติตามนั้นมันก็ได้ผลขึ้นมาก็ได้รับความสงบสงัดทางด้านจิตใจ ได้ปัญญาความรู้ความฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันแค่ น, นี้แหลกล่าวถึงพระภิกษุสามเณรที่พัฒนาตัวเองอะไรเล่าทำให้คนเราพัฒนาตัวเอง ก็อะไรแล้วก็คือความทุกข์นั้นแหละกับปัญหานั่นเองปัญหามาลบคนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็บีบบังคับร่างกายอันนี้เข้าไปจิตใจก็เป็นทุกข์ธรรมดาผู้มีบุญวตาตนามีปัญญาเมื่อได้ประสบความทุกข์เช่นนั้นมันก็ย่อมดำลิ ว่าทำยังไงหนอเราจึงจะพ้นจากทุกนี้ได้จะพ้นได้โดยวิธีได้เมื่อไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านผู้ที่เคยปฏิบัติมาท่านก็ดแสดงท่านอย่างย่อและทายางพิศรานให้ฟังอย่างย่อก็ห ม, มายความว่า ไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากจิตจิตเป็นผู้สร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ได้สวยทุกข์เป็นผลวัลนนี้เมื่อจิตเห็นโทษแห่เงเหตุอันก่อให้เกิดทุกข์นั่นแล้วก็ไปละเหตุั้นเสียละเหตุตัวนั้นให้ดับไปเมื่อเหตุตัวนั้นดับไปแล้วทุกข์ทางใจก็ดับไปอืมนี่อย่างย่อนี่นะ เมื่อผูใ้ใดมองเห็นหนทางอย่างนี้แล้วมันก็เล่งความเพียรแห่งพินิษจิตใจตัวเองสติ ส, สัมปทานะไม่ห่างจากจิตใจตามประครับประครองจิตนี้อยู่อย่างนั้นอืมทําให้จิตนี้เมื่อมีสติครอ บ, ค, ออร ค, รบรครองอยู่แล้วประคับประคองอยู่แล้ว มันก็มั่นคงเข้าไปเข้มแข็งเข้าไปที่เลตันหาก็ไม่สามารถที่จะครอบามจิตได้มต็นอย่างนั้นดังนั้นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องพิจารณาเห็นทุก เห็นภัยในสงสารนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าใครไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี้แล้วมันก็มันก็ไม่ได้ทําความเพียรเข้มงวดปวดขันเข้าไปเท่าไรหรอกอืเพราะว่ามันจะเป็นทุกข์มันก็ยอมทุกข์ไปอย่างนั้นแหละคนไม่รู้ทางออกจากทุกข์นะก็ปล่อยทุกข์ครอบงำอยู่อย่างนั้น แช่อย่างนั้นสำหรับผู้เห็นทุกข์เข้นภัยในสงสารนี่แล้วแล้วก็ขั่งมีปัญญาอีกด้วยมันก็จ้องดำืิทำยังไงหนาะเราจึงจะพ้นจากทุกข์นี่ได้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้ได้ว่าก็เมื่อละความอยากคือตันหาในใจ นี่ได้มากน้อยเท่าใดความทุกข์มันก็ยอมดับไปเท่านั้นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วคํานี้แต่ว่ากจําเป็นต้องพูดอีกเพรความจริงมีอย่างนี้เราจะละเลยความจริงนี้ไปเสียมันก็จะไม่เป็นหลักของผู้ฟังก็จะไม่ได้จับเอาไปพิจรารณา นึกว่าพูดไปตามธรรมดาเฉยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนี้แต่ว่าเราพูดย้ำเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจวิถีชีวิตนี้ว่ามันเกิดมาแล้วมันอยู่ด้วยความทุกข์เป็นไปด้วยความทุกข์ให้มองเห็นอย่างนี้ อันบุกคลผู้มีอายุยืนกว่าแสนปีขึ้นไปมันไม่เห็นทุกข์เห็นภยัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มาตัดสรู้ในโลกในสมัยใดคนอายุยืนกว่าแสนปีขึ้นไปแล้วเพราะมันไม่เห็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์การแสดงอริยสัจธรรมมันก็พระองค์ก็ ยกทุกข์ขึ้นเป็นเบื้องต้นเลยอความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจพิไรลําพันธ์ต่างๆเป็นทุกข์ความพัดภากจากของรักค้องของชอบใจเป็นทุกข์ความได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกใจ นิสัไม่คงกันเนี่ยนะมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เนะี่ยทุกหลายอย่างทุกการแสวงอาหารมาเลี้ยงชีพก็เป็นทุกข์ทุกการเดินทางด้วยกันกันกบคนอันธพาลก็เป็นทุกข์เพราะเหตุว่าคนอันธพาลมันไม่หวังดีต่อใครเลยมีแต่จะเบียดเบียนผู้อื่น ให้พนทุ์เกิดร้อนในการได้เดินทางร่วมกับคนอันธพาลเหล่านั้นนะ่ยก็เป็นทุกข์หลายอย่างนี้แนละยความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์เนี่ยพูดถึงเรื่องทุกข์ก็มันเป็นอย่างนี้เลอมันมีอยู่หลายแง่หลายมุมแปลว่าผู้ อาศัยอวิชชาตันหาครอบงำจิตใจแล้วจิตใจมันไปจุดจ่ออยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันสวยๆงามๆน่ารักให้พอใจต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ลืมทุกข์หล่านี้ไปคล้ายๆกับว่าตนไม่มีทุกข์เลยเป็นงั้นคอมรู้สึกเพราะมันน่วงเหนียวเอา อิทธารม์อารมณ์ที่น่าชอบใจมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจเหตุนั้นมันถึงลืมความทุกข์ไปพักหนึ่งแต่ถึงอย่างไรอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม่ร่างกายที่รองรับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นนี่มันก็ไม่ยั่งยืนอีก คนร่ากายในสำลุดทุกข์โธไปไอความพอใจความยินดีในโรคสิงกินรดเหล่านั้นก็หายไปมาได้มีแต่ความทุกข์และทมใจอยู่อย่างนั้นนี่แหละผู้ที่พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงปรารถนาอยากจะให้พ้นจากทุกเหล่านี้ไปแล้วก็มาปฏิบัติธรรม มาฝึกขนจิตใจของตนให้มันตั้งอยู่ในธรรมไม่ให้มันตั้งอยู่ในกิเลสไม่ให้มันหมุนไปตามนากของกิเลสนี่แหละท่าพูดโดยย่อๆแล้วไอ้ความทุกข์มันก็เกิดจากใจนี่เองว่าใจไม่รู้เท่าเหตุแห่งทุกข์ก็ไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะ แล้วทุกข์มันจะไม่เกิดยังไงเหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้ก็เอ า, มาเมล็ดไปเพาะลงในดินเนี่ลดน้มเข้าไปถึงเวลาแล้วมันก็งอกขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ย อ, นยอันทุกข์ทั้งหลายหรือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดจากกิจนี้เองยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้มัก ม, มมไว้นาน มักผงไม่นานเข้านานเข้ามันก็เกิดเป็นความรักความชังความหลงความเมาต่างๆขึ้นมามันก็เลยอํานวยผลให้เป็นทุกข์แก่จิตใจผู้สร้างกิเลสต่าง น, นขึ้นมาไอ้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่มองไม่เห็นทุกข์ภายในจิตใจอย่างดังกล่าวมาแล้วนี่ มันก็ไม่อยากพ้นจากทุกข์แล้วไม่ไม่ขวนขวายไม่ศึกษาหาทางพ้นจากทุกข์เลยเข้าใจว่าไม่มีหรอกไม่มีทางพ้นทุกข์ได้บางคนก็อาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นจึงละเลยเสียไม่สนใจอ่ามันทุกข์อย่างไรมาก็สู้ทุกข์ไปทนทรมานไปอย่างนั้นแหละ นี่หมายเอาทุกขังใจใจไม่มีปัญญานะมันทุกข์อย่างไรมาก็ควรคลางเวียงนั้นวิตกวิจารเศร้าโศกเสียใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าปัญญาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์ไม่เห็นกองทุกข์เหตุนั้นถึงได้ปล่อยให้ทุ ก, กข์นั้นครอบรมย่ำยีจน เดือดร้อนอยู่ตลอดไปเมื่อกิเลสมันย่ำยียจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นแล้วสิตมันก็เป็นอกุศลขึ้นมาเลยคนมีบาปคนมีกิเลสหนาแน่นขึ้นในใจใครพูดอะไรกระทบกระทั่งนิดหน่อยก็ไม่ยอมให้อภัยก็ย่อมโกรธยอมฉุนเฉียว แกอยจะมากระทบกระทั่งฉันนะฉันใจไม่ดีนะฉันจะอดไม่ได้อย่างนี้แหละฉันจะต้องตอบโต้แกเกิดเป็นอย่างนี้นะไอคนเราได้เมื่อเมื่อมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วใจก็อ่อนพับห้ามใจก็ไม่ได้ อย่างนี้แหละเหตุางั้นคนเรามันถึงได้เป็นทุกข์การที่จะไม่เป็นทุกข์นั้นก็เพราะเหตุว่ามาพยายามมีสติสมบัติเพนยะประคับประคองจิต ด, ดวงนี้ให้มันเป็นปกติไปไม่ให้มันเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ ให้มันเป็นปกติปกติยังไงวะเอา้ามันรู้อะไรแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรอันนี้เมื่อรู้อะไรแล้วก็เห็นเป็นไตรลักษณ์สามอย่างนั้นพร้อมกันเลยอย่างนี้ก็เมื่อมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้ว มันก็มายึดถือเอามันก็ปล่อยก็วางอย่างนี้นะมันก็ปล่อยวางลงได้แต่คนโศนมากมันไม่ได้นึกเถิงอนนี้จังทุกครังอนัตตาในเวลามีอะไรกระทบ ก, กระทั่งเข้ามาจิตใจเราห ว, วั่นไหวไปตามทันทีเลยเช่นนี้แหละมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละถ้ามันนึกได้รู้ได้อย่างว่านี้แล้ว มันไม่ยึดถือในเรื่องนั้นแล้วเรื่องนั้นมันก็ดับไปเท่านั้นเองเมื่อเรื่องนั้นดับไปความทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าใจไม่ยึดถือไว้เหมือนอย่างคนรู้ว่าไฟนถ้ามันถูกต้องตัวแล้วมันไหมมันเจ็บอย่างนี้กรณมว่าระวังไม่ไม่ไฟมาถูกตัวไม่ไปจับ่านไฟ เช่นนี้นะไฟนั้นถึงแม้มันจะร้อนมันก็ไม่ให้โทษแกบุคคลผู้ไม่ผู้ไม่จับไฟไฟก็ไม่ได้ไหมเป็นยังงานเรื่องมันนะดังนั้นอนะ่ะหาหาคว้าผู้มีปัญญาแล้วอันการละกิเลสนี่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัย เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะต้องละมันได้ครั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าความรักความจังความหลงความเมาต่างๆนั้นก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้น เ, เมื่อเรารักษาจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ดีด้วยดีแล้วกิเลสที่ไหนมันจะมาเกิดขึ้นในใจได้ พตนไม่ได้สร้างมันขึ้นมาน่อตนรักษาปกติของจิตไว้เสมอสม อ, อย่างนี้แหละแล้วกิเลสจะเกิดตรงไหนวะนี่ถ้าจิตไม่ยินดีกับอะไรแล้วอย่างนี้ความยินดีนั่นก็ไม่เกิดถ้าจิตไม่ยินร้ายกับอะไรแล้วความยินร้ายก็ไม่เกิดขึ้นจิตใจเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ่ะ ในธรรมะนี้มันก็สูงเงินไปในระดับอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะไปะยําตอกอยู่แต่ที่เก่าเลยนะละเว้นจากบาปได้แล้วก็พยายามละทีเล็ดอันจะเป็นเล็ดได้เกิดแก่เจ็บตายต่ยตอไปเองอย่างนี้นะก็คือตัณหาอุปท า, านนั่นเองเมื่อตัณหาความอยากมีแล้ว ไม่เพียนละความอยากนั้นจิตใจมันก็ไปยึดถือเอาสิ่งที่อยากได้นั่นแหละ ย, ยึดถือเอาไว้ยินดีพอใจอยู่ในสิ่งที่ตอนยึดถือไว้นั้นอันนี้ท่านเรียกว่าอุปทานเป็นอย่างนั้นขอมรละอุปทานนั่นก็หมายความว่าสิ่งใดก็ตาม เมื่อมันเกิดความอยากขึ้นมาในใจพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรอยากถ้าคืนอยากไปก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้อะไรมาอย่างนี้นะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ยุติความอยากลงไม่อยากมันละสมมติว่าไปเห็นรถคัน ง, งามๆอย่างนี้นะอืม แล้วมา น, นึกถึงเงินทองของตนไม่มีมีก็ไม่มากไม่พอที่จะเป็นค่ารถนั่นได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่อยากมันนะเพราะอยากมันได้มันก็ไม่ได้ตามประสงค์มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเามืม่อรู้ได้อย่างนี้เตือนตนอย่างนี้แล้วความอยากมันก็ละลับไปตนก็ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความอยากได้รถคันนั้น อย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าบุคคลร่วมหน้าเกิดความอยากไม่รู้จักฐานหน้าของสนไม่รู้จักประมาณตนอนเกิดจากในรถคันนี้ขึ้นมาแล้วราคาแปดแสนบาทอย่างนี้นะอา่าวมรดกที่พ่อแม่แบ่งกนให้ที่นาบ้างที่สวนบ้างอะไรหมนี้ ก็เอาไปขึ้นธนาคารเอาเงินนั่นมาซื้อรถขี่อืก็ตนได้รถมาขี่แนละ้วคิดว่าจะหาเงินส่งดอกเบี้ยเขาอืเช่นนี้หายังไงมันก็ไม่ได้แบบนี้นะเอเขาทําสัญญากันให้ส่งดอกเบี้ยเดือนละห้าพันบาทอย่างนี้นะเอา้าเดือนหนึ่งตนหาเงินไม่ได้เลยหนะ้าพัน มันก็ไม่ได้ส่งดอกเบียยเขาบันนี้เมื่อมันเลยสัญญาไปแล้วไม่นำดอกเวีย้ยไปส่งเขาเขาก็ยึดเอารถคืนมาพร้อมทั้งเงินที่เอาไปการันตีเอารถนั้นมาอ่อย่างนี้เขาก็มีกาไรอยู่ในตัวเลยรถนั้นเขาก็เอาไปซ่อมแซมไป ตกแต่งให้สวยหรูซะแล้วก็เป็นรถใหม่เอี่ยมเท่านั้นแหละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าไอ้คนเราเนะ่ะรู้อํานาจแกตันหาความอยากอันเกินขอบเขตของตัวเองเดี๋ยวว่าไม่รู้จักประมาณในความอยากมันก็ก่อให้เกิดทุกข์เกิดความยากจนขนแค้นในครอบครัวตระตเรือนอย่างนี้แหละ แต่ถ้าหากว่าตนมีปัญญาไปเห็นรถคัน ง, งามๆอย่างนั้นคิดอยากได้ขึ้นมานะไปอยากได้อะไรทรัพย์สมบัติเราไม่เพียงพอถ้าเอามารดกของมารดาบิดาไปจำงธนาคารเอาเงินมาเพื่อว่าเราหาเงินใช้ดอกเบี้ยเขาไม่ทัน ตามกำหนดแล้วเขาก็จะยึดเอารถึงคืนแล้วตนเองก็จะหมดเนื้อหมดตัวจะลงยากลงจนบ้านจะอยู่ก็ไม่มีพอธนาคารเขายึดเอาแล้วอย่างนี้นะดังนั้นน่ะชาวพุทธเราก็จงพากันคิดไค่กวรวแ้ดีตามคำสอนของพระเจ้า ที่พระ อ, องค์แสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นน่ะมันเป็นความจริงโดยเหตุผลแล้วเป็นความจริงแท้แท้แต่ถ้าผู้รู้จักประมาณตนไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาเกินฐานะของตนไปอย่างว่านั่นเน้ยอันตัณหาเนี่ยมีทุกคนแหละแต่เมื่อรู้จักประมาณ ให้มีความอยากแต่พอประมาณว่าก็อยู่ในวิสัยที่เราจะหาได้มีเงินพอจะซื้อได้ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็ซื้อหามาใช้มาบริโภคมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครอืควรจะพากันฝึก ให้ใช้ใจคอให้เป็นผู้ถือสันโดดชั้นยินดีตามมีนําตามได้ถ้าเป็นถือสั้นดุถีตามมีตามได้ดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกอ น, นี้แม้ว่าจะไม่มีเงินทองเข้าของมากมายอะไรก็ตามในเมื่อเราถือ ถือยินดีตามมีตามได้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนมีน้อยเราก็ใช้ใจ่ายตามน้อยมีมากก็ใช้ใจ่ายตามมากอืมรายรับกับรายจ่ายก็ต้องให้สมดุลกันอย่างนี้นะนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดารงชีวิตอยู่ประจาวันก็ควรพากัน ใคร่ควรคำสอนงูไต่เช่าให้ดีแล้วลงมือปฏิบัติตามเมื่อลงมือปฏิบัติตามตัณหามันก็ไม่ลุกรามจิตใจไม่รบควรจิตใจเคินประมาณเพราะว่าตัณหาก็จิตเป็นผู้สร้างขึ้นจิตเป็นผู้อยากไม่ใช่ว่าความอยากมาแต่ภายนอกมาสวมเอาจิตใจอย่างนี้ไม่ใช่ จิตเป็นผู้สร้างขึ้นทังห่างนะดังนั้นเมื่อจิตรู้ว่ามันเป็นทางความเสื่อมอย่างชีวิตแล้วก็ไม่อยากมันในเรื่องนั้นนั้นนะไม่ต้องอยากมันเตือนตนเสมอไปอถ้าอยากสิ่งนี้แสวงหาสิ่งนี้ได้มาแล้วมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้นะคิดเห็นได้อย่างนี้เราก็ ง, งดไม่อยากเลย ไม่สร้างความอยากขึ้นในใจแล้วตัณหาความอยากมันก็ระงับไปความทุกข์ทางจิตใจมันก็ดับไปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลำบากยากเกินเกินประมาณจนว่าไม่สามารถที่จะละตัณหาได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีความสามารถที่จะละมันได้ถ้าเราปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานั้นแต่คนส่วนมากนั้นน่ะไม่ว่าอย่างนั้นนิว่าแต่ว่ามีใครมาจาักเตือนโอ้จะไปอยากได้อะไรหนักหนา <c oughs> มันเป็นทุกข์ก็ตอบเพื่อนไปว่ามันอดไม่ได้ทนไม่ได้ฮอย่างนี้แหละส่วนมากเป็นอย่างนั้นคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบาก เพราะตัณหานั่นนะคือมันไม่ยอมอดกั้นทนทานต่อกระแสของตัณหาที่มันครอบงำจิตใจอยู่มันถึงได้เป็นอย่างนั้นมันจึงได้แสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตเกินขอบเขตเกินศีลขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมเกินพอดีแล้วมันก็ได้รับทุกข์ในภายหลัง อย่างเช่นบุรีกัญชาเลา่าสุราจาฟินเฮโรอีนทั้งต่างหมดนี้นะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรเลยแต่มนุษย์เราชอบความสนุกดื่มก็ไปแล้วมันเมาแล้วก็ไม่มีความละอายคอนรำขับร้องดีสีตีเป่าอะไรก็ได้ทั้งนั้น อย่าพูดชาปลาใสห ย, ยาบคายอะไรก็ไม่สะดุ้งว่ากลัวว่าจะมีคนรังเกียดตั้งแกลไม่กลัวเลยนี่คนชอบความเมานะ่ชอบไปอย่างนั้นนะแล้วการชอบไปอย่างนั้นเนะ่ยมันขาดปัญญาถ้าใช้ปัญญาไข ค, ควรดูแล้วการชอบไปเช่นนั้นเนะ่ะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษมีแต่ทุกข์อ่าเป็นอย่างนี้นะเมื่อไดไข้ควรไม่ได้ทบทวนเลยเหตุ น, นั้นแหละมันจึงไปตามอำนาจแห่งความเมานั้นนั้นคนเราถูกฆ่าตายเพราะความเมานี่มีทุกข์กวนเลยอ่านักตือพิมพ์เขาลงแล้วอ่าวเดี๋ยว เดิมไปเดิมไปเมาได้ที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรเป็นสหาหิกกันกระทบกระทั่งกันมาแล้วก็โกรธกันขึ้นอย่างรุนแรงอคนอันธพาลอย่างนั้นมนมันมีปืนพกเต็กกระเป๋าไปด้วยโรกรกมากระชักปืนออกยิงเพื่อนตายเลยไออย่างนี้แหละแล้วเพื่อนก็ไม่สามารถจะระวังตัวได้เพราะเมาไหลไม่สามารถจะลบหลีก กระสุนได้เลยถ้า อ, อ, อย่างนี้นะน่าทุเล่จริงๆนะคนเราก็เกิดมาไม่ใช่ของง่ายนะกลัวจะใหญ่โตขึ้นมาได้ต้องไปนอนอยู่ในท้องแม่ทั้งแปดเดือนเก้าเดือนแม่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยกลัวลูกอยู่ในท้องมันจะเจ็บจะปวดจะเกิดความ วิบัติขัดข้องอะไรต่ออะไรแม่นั่นอุ้มท้องอยู่มันต้องระมัดระวังไม่หกล้มไม่รับประทานของเผ็ดของเค็มเกินไปกลัวมันจะไปทำลายสุขภาพของบุตรที่อยู่ในท้องนั้นตอนนั้นแหะแม่ให้ลูกเกิดมานะมันแสนทุกข์แสนยาก เขาเกิดมาแล้วเขาต้องมาประครบประงมเอาเสียแสนยากแสนลำบากเพราะว่าเด็กๆแค่นั้นก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยมีแต่ส่วนมากก็เป็นแม่นั่นนหะพ่อน้่ยก็มีน้อยดอกที่จะมาประครบประงมลูกของชนแม่นั้นอยู่ใกล้ลูกกว่าจึงประครบประงมเอาลูกใหญ่ขึ้นมา พอพูดอแอลแอได้ไปเป็นเดินโจ๊ะเจ๊ไปเย่งรักหลายสายตาไม่ได้ขาดไม่ได้ออกจากลูกเลยกลัวลูกจะมีภัยอันตรายอันนั้นแหละแม่เลี้ยงลูกพ่อเลี้ยงลูกนะมันแสนยากแสนลำบากจริงๆกลัวรูปร่างกายอันนี้มันจะเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาได้ ถ้าผูใ้ใดมาคิดถึงคุณูปการะของมันดาบิดาอย่างนี้แล้วก็จะไม่ใช้กายวาจาอันนี้ไปทำชั่วพูดชั่วไม่ท้องเสพของมืนเมาให้โทษต่างๆนานาเหล่านั้นขอว่านอกจากว่ามันจะเกิดทะเลาะวิวาทคิดเสียงกันแล้วก็เกิดโรคอีก ด, ด้วยอย่างนี้นะโรคใครก็เบียดเบียน เพราะว่าไอ้ของเสพติดได้โทษต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่มีพิษอยู่ในตัวเลยไม่ใช่มันไม่มีพิษนะนั่นแหละเมื่อบุคคลท่องเสพมากๆเข้าไปแล้วไอ้พิษของยาเสพติดเหล่านั้นมันก็ไปทําลายตับกอดลำไส้กับพาะอาหารทําลายตลอดหัวใจเนยถ้นนาให้เส้นเลือดในหัวใจตีบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพออก็ นทนถ้าหมอช่วยไม่ทันก็าตายอย่างนี้แหละลอคิดดูให้ดีคนเราไอ้กวดจะได้อัตภาพร่างกายนี่มาไม่ใช่ของง่ายนะถ้าพ่อแม่ไม่รักลูกจริง ๆ, รงๆ่ะไม่เห็นดูจริงๆเลี้ยงลูกไม่ใหญ่แน่นอนเพื่อนก็ปล่อยให้ตายเสียแต่ยังอ่อนยังออกนอน่นอย่างนี้มันก็ตายกันเท่านั้นเองนี่แหละ พ่อแม่ถึงชื่ว่ามีอุปการรักคุณต่อลกูกฮะประมาณมีได้เลยลูกนั่นจะทำอะไรลงไปจะทำชั่วทาไม่ดีต่างๆก็คนนึกถึงพ่อแม่นั้นโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามาเสร็จอยากเสร็จระบากรอเราจะมาทำชั่วอย่างนี้ดีไม่ดีถ้าตัวไม่ตายก็ไปติดคุกติดตารางอยู่อย่างนี้นะ แล้วทบพ่อแม่อยู่เบื้องหลังใครอย่ามาเลี้ยงสนไปติดุกติดตารางสิบปียี่สิบปีเข้าไปแล้วอย่างนี้พ่อแม่อยู่ข้างหลังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้ามันคิดได้อย่างนี้ลวมันก็ยับยั้งใจได้เลยมันก็ไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมก็ไม่ได้ถูกจับกลุมพ้องร้องขึ้นลงขึ้นชันเข้าคุกเ ข, ข, ข้าตาราง ก็เป็นไทยมีอิสระเสรีอยู่กับเพื่อนทุงต่อไปไม่เดือดร้อนอะไรมีโอกาสได้ทำมาหาเรี่องชีพยอย่างเต็มที่แต่เท่าที่สังเกตุทุกวันนี้แหมคนชอบของมืนมาหลนี่แล้วเกินถักขืน ่องเสพกันไปมากมากอย่างนี้แล้วประเทศชาติจะล่มจมยิ่งไรล่มจมแท้แท้เพราะคนเมานี่ยเมื่อเมาล้ ม, มทำงานอะไรไม่ได้เลยมีแต่ออเออแออจากที่นี่ก็ไปที่น้นเมาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอนะกินที่นี่แล้วเมาแล้วยังไม่พอไปย้อยไปที่นู้นไปกินน้อนอีก ลดเมาอยู่ตลอดเวลาอย่างนีนะ้แล้วที่ไหนแล้วมันจะเจริญลุ่งหลืองผลได้ในชีวิตนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พากันคิดถึงคุณพ่ อ, อคุณแม่เสด็จพระาระเรี่ยงมาแสนทุกแสนญาติคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำความชั่วใส่ตัวเพราะว่าโรคนี้นะมันมีดีกับมีชั่วเป็นคู่กัน ถ้าบุคคลทิ้งความดีใจมันก็ต้องหมุนไปความชั่วเป็นธรรมดาอย่างนั้นถ้าบุคคลทิ้งความชั่วใจมันก็ต้องหมุนไปทางดีนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเน่ยอะไรอะไรก็ลงที่จิตที่ใจตรงเดียวนี้ดังนั้นพุทธ ศ, ศาสนิกชนทั้งหลายอย่าปล่อยปละลเลยจิตของตัวเอง ให้พยายามมีสติสมบูรณ์ชนะสามรักษาจิตใจอันนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคนุณในศีลธรรมินในคำสอนของพระเจ้าให้ได้แล้วความชั่วมันก็จะครอบงมจิตใจไม่ได้นั่นแหละคือเป็นทางค้นทุกข์้นภัยในปัตสาสงสารรังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้